วันนี้นับเป็นวันประชุมของพวกเราวันหนึ่งทั้งที่ขาดไปหลายวันภารกิจอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นมีความจําเป็นและอีกอย่างหนึ่งก็ถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นผลดีน่าควาเป็นผู้โชคดีพวกนิสิตทัต้งสองรุ่นยังไม่ได้เคยไปทัศนศึกษานอกพื้นที่ไกลเหมือนกับนิสิต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 วันครบรอบที่ได้กำหนดกันเอาไว้ว่าจะจัดงานวันครบรอบคุณแม่ชีแก้วประจำปีก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นก็เป็นงานที่เรียบร้อยตลอดถึงผมเองก็ได้ไปมอบห้องแแบบโรงพยาบาล อ, อําเภอคาชะอีแต่ น, นี่เป็นสถานที่แคบก็ไม่ได้เอาพวกท่านไปด้วยแต่ก็ไดเอาไปมอบอาคารเรียน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 พระพุทธเจ้าทำไมายท่านจึงออกบวชการเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้ากับเป็นการเป็นอยู่ของเราถึงพวกเราจะว่ามีความสุขสนุกสบายมีเงินคำทรัพย์สมบัติยศธารมดาศักดิ์สูงส่งขนาดไหนแต่ถ้าว่ามาเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าที่เป็นบ ร, รมครูของพวกเราแล้วต่างจากพวกเราตั้งมากมายอย่างในหลวงของเราก็เหมือนกันเมื่อปี2499พระองค์ท่านก็บวชอยู่ที่วัดบวร บวชในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราท่านทางหลายที่เข้ามาบวชต้องระลึกถึงในหลวงของเราที่ท่านเป็นมหากษัตท่านก็นยังเสียสละทำามาอยู่อย่างนั้นอยู่กับวัดวาศาสนาเพื่อศึกษาแต่พวกเราท่านทางหลายี่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาเนีย่ยจะเปนคนอ่อนแอไม่ได้ไม่ถูกต้องต้องเข้มแข็ง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 ว่าท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอยู่ที่คโคลนต้นโพเมื่อวันเดือน6เพนเมื่อ 2,500 กว่าปีที่ผ่านมาท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกไม่ได้นั่งเสือนั่งสาดนั่งหมอนนั่งที่ล้าเปเรียบอะไรนั่งที่คโคลนต้นโพนายโสธิยะนายาคามาถวาย8ปดกำมือมามอบใหพ้พระสิทธาสิทธาก็ได้ยาคา8ดกำมือ คงจะเป็นยญ้าคาสดเกี้ยวนะ่ะก็มาเกลี่ยลงที่โคนต้นโพเราก็รู้อยู่แล้วต้นโพเห็นไหมที่เราเดินไปบินทบาทหรือว่าเรานั่งรถไปที่วัดคุณแม่นะก่อนจะถึงทุ่งนาเนีนะ่ยมันลากมันโผล่ยังไงลากมันลอยขึ้นมาต้นโพมันเป็นอย่างนั้นนะหละต้นโพเมืองอินเดียก็เหมือนกันนะมันโผล่ขึ้นมันลอยขึ้นมาลากมันลอยขึ้นมา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 นี่แหละคือกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันนั้นคือกุญแจดอกแรกที่จะเปิดเข้าไปสู่ญาณทัศน์ส่วนอื่นนี่แหละวิธีการทําให้พวกเราถือเอาไว้ยึดเอาไว้ฟังเอาไว้เพราะฉะนั้นเรามาอยู่ณสถานที่นี่เราไปอยู่ณสถานที่ใดในบริเวณที่เรากลับเปรกุติของเราพยายามนั่งสมาธิให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่ที่พวกเรานั่งอยู่บนศาลานี่ ใจเข้าบอกกันเรียนกันเพื่อศึกษาไม่ใช่ว่าเราจะนั่งเป็นกลุ่มเป็นคณะแต่าการนั่งเป็นกลุ่มเป็นคณะไม่ใช่กฎระเบียบของครูบาอาจารย์สายลงปู่มันสายลงปูมันม่นท่านต้องปีกลีกตัวอยู่โคลนต้นไม้บงังอยู่ในที่จ้างแจ้งลมฟงังอยู่ในที่ถ้าเนื้อมผาอยู่ตามลําพังไม่ให้มใหีใครเห็นเลยการนั่งสมาธินั่งให้ตัวตรง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 พวกเราคิดดูก็แล้วกันพวกเรามาอยู่ในสถานที่นี้เราคิด่วงหาอะไรอ ค, คิดถึงคุณนู้ดคิดถึงคนนี้คิดถึงกิจการงานคิดถึงเรื่องดูเรื่องกินเรื่องพักเรื่องพวกเรื่องเที่ยวเรื่องเตะเรื่องจีปาถะนับไม่ถ้วนแล้วพวกเราเป็นยังไงมีความสุขหรือมีความทุกข์ในปุงมฟุ้งอย่างนั้นผมเองผมว่าพวกท่านหล า, ายปุงมฟุ้งมากๆพวกท่านจะปวดหัวเออ เป็นทุกข์หัวใจจิตใจห่อเหี่ยวจิตใจว้าเวอ้างว่างเหี่ยวเงาซึมเศร้าเ อ, อลักษณะต่อไปก็ผลที่สุดเอาชนะใจตัวเองไม่ได้ก็เศร้าซึมซึ ม, ม, มเศร้านะท่านลักษณะซึมเศร้านั่งแบบไร้สติไร้ปัญญาเ อ, อเพราะสู้ความคิดของตนเองไม่ได้อันนี้แปลว่าเอาชนะใจตนเองไม่ได้ถึงจะไปอยู่ณสถานที่ใดก็าตามถ้าคิดปงฟุ ง, งมากๆอย่างนั้นแล้ว นี่จะเสียหายไม่เป็นพุนดีสำหรับตัวเองถ้าคนที่ปรับปรุงกยใจของตนเองได้แล้วเราต้องอ่านให้ออกว่าขณะนี้เราควรทำอย่างไรขณะนี้เราควรทำหน้าที่อย่างไรขณะนี้เราควรปฏิบัติตนอย่างไรต้องอ่านกาละเทสาให้ออกแต่ถ้าพวกเราอ่านการะเทสสาไม่ออกเวลาปฏิบัติคนไข้อยากจะไปเที่ยว เวลาเงินหมดแล้วอยากจะมาทำงานหม อ, อผลที่สุดก็เลยหาความเป็นชิ้นเป็นอันไม่ไดเ้เมื่อเราเป็นอาจารย์ก็อยากจะไปเที่ยวพอไปเที่ยวหมดแล้วอยากจะมาสอนเป็นอาจารย์อย่างนั้นมันจะได้เหรอก็ต่างกลมต่างวาละขณะนี้เรามีหน้าที่อะไรในมีหน้าที่หมอในขณะที่เราอยู่เวรอยู่ยามเราเข้าห้องดูแลคนไข้เข้าห้องพ่าตัด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 ขนาดบอกว่าให้ได้24ชั่วโมงได้สักสิบเปอร์เซนก็นับว่าดีหรือห้าเปอร์เซนก็ยังดีถ้าหากว่าบอกว่าเอาตามสบายสบาภาวนาตามอัธยาศัยจะได้พุโทโธสองสามครั้งอาจจะเข้ากีบเมกไปก็ได้เพราะนั้นจะว่าให้เอาชุดตรงไว้ก่อนให้มีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาขนาดพูดขนาดนั้น จะได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้รู้จักหน้าที่ว่าขณะนี้เราเข้ามาบวชเข้ามาศึกษาเป็นพระกรรมาฐานศึกษาแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เข้ามาอยู่ป่าอย่างนี้เราจะมานั่งจุกนั่งเจา้านั่งคิดถึงบ้านนั่งห้อยเหงาเศร้าซึมมันไม่ถูกถึงเราไปอยู่นักธรรที่ใดก็าตามนิสัยตัวนี้มันจะเข้ามาขี่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 อย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาอยู่ที่นี่พวกท่านทั้งหลาย ร, รู้ไหมว่า ป, ประวัติของผมนี่ยนู่นจยมุกดาหารอย่างพวกเราท่านไปเห็นไกลไหมนั่งรถไปกี่ชั่วโมงบ้านของผมก็อยู่ตีนเขาผูเ่โจกอตีนเขาผู่โจ้อที่พวกท่านเคยไปกลับหลวงปูล่ลานั่นแหละเป็นที่อยู่ของผมแต่สมัยก่อนไม่มีถนนหนทางอมีถนนทางแคบๆปีนป่ายขึ้นไปไปอยู่บนยอดเขาอายุผมสี่สิบอปีเท่านั้นเองไปอยู่ที่นั่นอ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 เพราะนั้นจุดนี้ก็คืออย่างไรก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นวัดวาศาสนาเป็นที่รู้จักของคู่คนพอสมควรถึงจะว่าไม่มีชื่อเสียงโด่งดังผมก็อยู่อย่างพระกรรมฐานดูแบบสันโดษอย่างพวกท่านทั้งหลายได้ดูเรียนรู้ได้ศึกษาได้เข้ามาอยู่กับผมเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่ผมพูดทางนี้ท้งนั้นให้พวกเราเข้มแข็งแต่ทางนี้ทางนั้นผมก็ไม่ได้ว่าพวกท่านอ่อนแอนะ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 ในโลกเราสู้ทั้งหมดตางแดดตากฝนงานทำรัว้วทำสวนทำไร่ทำนาว่าตากแดดว่าทนทุกทรมานแต่สู้งานที่เอาชนะใจของตัวเองเนี่คือบังคับสติให้อยู่กับตัวเองเนี่อันนี้เป็นงานหนักที่สุดเพราะนั้นเราทดลองเลยสิว่างานตัวนี้เป็นเป็นยังไงเพราะนั้นพวกเราอยา่าดดูถูกว่าพระเข้าบทมาในพุทธศาสนาแล้วอยู่แบบ สังกะตายอยู่แบบเออและเหยอยู่แบบมีมีจุดหมายปลายทางากินแล้วนอนก่อนแล้วนินอันนั้นแม่ไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระพุทธทเจ้าถ้าปฏิบัติตามแนวแถวของพระพุทธทเจ้าแล้วอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สู้เพราะนั้นท่านทั้งหลายต้องสู้ดูซิว่าเป็นอย่างไงมันจริงอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สู้มาไหมผมเลยเชื่อเหลือเกินเพราะผมเคยสู้มาแล้วแต่นั่งสมาธิบังคับใจตัวเองเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสที่สุด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 แต่ใจของท่านเท่านั้นเองเป็นพระอาหารหันเรื่องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันอยู่ที่ใจเหงเพรวนนั้นหลักของพุทธศาสนาที่เราเข้ามาบวชในครั้งนี้เข้ามาฝึกใจให้ใจของเราเข้มแข็งให้ใจของเรามีเหตุผลให้ใจของเรามีคุณค่ า, าจะให้กิเลสเจียบย่าทำลายหัวใจเราถ้าว่าใจิตใจของเราอ่อนแอปวกเปียกกิเลสเข้ามาเหยียบย่าแล้ว อยู่ชังกระตายเป็นวันๆอย่างนั้นใช้ไม่ได้เพราะนั้นพวกเราให้ต่อสู้นะให้เข้มแข็งให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธเป็นหลักในเมื่อเมื่อเราบริกรรมเอาจิงเอาจังแล้วใจของเราไม่มีทางเล็ดลอดออกไปข้างนอกแล้วใจของเราเข้าสู่ความสงบเมื่อเข้าสู่ความสงบแล้วขว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีไม่ต้องหาที่ไหนเลย อยู่ที่ตัวของเราทั้งหมดเพราะนั้นพยายามาตามแนวแถวที่ครูบาอาจารย์ผมบอกกล่าวแนะนำสอนพวกเราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนิสิตหรือว่าพระที่บทใหม่ให้หมู่เพื่อนทั้งหลายตั้ง อ, อกตั้งใจให้ปฏิบัติตามที่ผมพูดผมคิดว่าผมแนะนำหมู่เพื่อนไม่ผิดแล้วกัน เ, เพราะผมได้ศึกษามาอย่างนี้ผมมั่นใจ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 เช่อมชื่นเอมองเหตุเหตุแลยเห็นผลมองรอบด้านรู้จักเหตุและผลควรทํำยังไงควรพูดยังไงควรคิดอคิดยังไงการคิดก็คือสมาธิแหละควรทํำยังไงควรพูดอย่างไรจะมีเหตุผลในตัวของเราเสร็จาจากนั้นพิจารณาถึงเมื่อจิตเป็นสมาธิดีแล้วจิตอิ่มตัวแล้วนํามาพิจารณ า, าพิจารณาอะไร ในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าศาสนะให้พิจารณากายให้พิจารณากายแล้นพิจารณายอย่างไรถ้าหม อ, อวิชาอาชีพหมอที่ศึกษากา ย, ยวิภาคเพียงแต่ดูว่าตามีหน้าที่อะไรมีเส้นประสาทกี่เส้นมีจออย่างไรมีเส้นประสาทอย่างไรมีกี่สี มีความจำเป็นใช้สียังไงจมูกเส้นประสาทของจมูกรับรู้อยังไงตับมีหน้าที่อะไรปอดมีหน้าที่อะไรหัวใจมีหน้าที่อะไรอวัยวะลาไส้แต่ละส่วนมีหน้าที่อะไรในอวัยวะอวัยวะของพวกเราตั้งแต่หัวจดเท้าผมมันเกิดมาจากที่ไหนมีหน้าที่อย่างไรมีเซนยังไงอยู่ในตัวนั้น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 แต่ในหลักของพระพุทธศาสนาท่านให้พิจารณาอย่างไรให้พิจารณากายมันต่างกับหมอคือทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้พิจารณากายนั้นต่างจากหมอน่คือตรองที่ว่าท่านให้เห็นร่างกายทุกส่วนอย่าว่าเกษาคือผมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินที่พวกโยมเขาสวดที่บ้านห้วยสาย อ, อยังควเอกาอยู่กายของเรานี่แหละ ตั้งแต่หัวจนตดเท้าให้พิจารณาอย่างไรในหลักของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าให้พิจารณาเกสาผมโลมาขนนัคาเลบทันตาฟันตะโจหนังคือไม่ให้หลงไหลในอวั ย, ยวะของพวกเราตั้งแต่หัวจดเท้าแต่หาว่าพวกเราหลงผมว่าสวยงามกิเกลสราคะก็จะเกิดขึ้นความกำนัดยินดีก็จะเกิดขึ้น เวลาเราเห็นหนังเราเห็นหนังผูดผาดเราก็ติดในหนังว่าสวยงามเราก็หลงหนังเราเห็นตรงจมกูกเราเห็นตาเราเห็นเล็บเราเห็นฝันกระปุกเศกขึ้นมาว่าสวยงามเมื่อปุกเศกขึ้นมาเมื่อสวยงามแล้วตามม ก, กิเรสก็เกิดขึ้นในเมื่อเราเห็นว่าสวยงามแต่นี้พระพุทธเจ้าท่านว่าให้แยกส่วนดูสิ ถ้าว่าเป็นผมถอนผมสมมตินะถอนผมทั้งหมดออกจากหัวเราไปกองเอาไว้ที่ว่าผมสวยๆกองเอาไว้ถอนขนทั้งหมดทุกเส้นเอาไปกองเอาไว้ถอดเล็บทุกเล็บมือเล็บเท้าเอาไปกองไว้ถอดฟันของเราทุกสี่เอาไปกองไว้ถ้าหลกหนังของเราเอาไปกองไว้แล้วก็ชาแหละเนื้อของเราเอาไปกองไว้ ถอดเอ็นทุกเส้นไปกองไว้ถอดกระดูกเป็นท่อนๆเอาไปกองไว้ตากนั้นก็ตับไตลำไส้ปอดเอาไปกองไว้แต่ละอันละอันแล้วให้เราดูเจ้ะว่าความสวยงามมันอยู่ที่ตรงไหนเป็นของที่จิรังถาวรไหม่อันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาไปอย่างนั้นไม่ให้ท่านมาไหนพิจารณาเหมือนกับแพทย์หรือหลักวิชามหมอที่ว่า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 เอตาอย่าฟ้าฟางนะอย่างเนี้ยตับอย่าเป็นโรคนะตายอย่าเป็นโรคนะอย่างเนี้ยปอดอย่าเป็นโรคนะอย่างนี้เราห้ามมันไม่ได้ในเมื่อห้ามมันไม่ได้บอกมันไม่ฟังจะเป็นของเราได้อย่างไรเรานี่คือใครต้องแยกให้ออกแต่หลักวิชาแพทย์วิชาหมดไม่ได้ดูว่านามธรรมมันคืออะไรเพียงแต่ว่าสมองเป็นตัวคิดตนเองแต่ในหลักของพุทธศาสนานี่ ท่านเน้นหนักเรื่องตัวนามธรรมเป็นจุดใหญ่เป็นเรื่องใหญ่มากนามธรรมตัวนี้ท <cas S 1> <ม>ี่เป็นพระพุทธเจ้าเขาไม่ใช่วัดร่างกายเป็นพระพุทธเจ้าใช่เป็นพระพุทธเจ้าคือส่วนประกอบของใจถ้าว่าใจเป็นกิเลสใจยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะเต็ม <cas S 1> อ, <allen> อยู่ในใจแล้วร่ <cas S 1> <อ>างกายจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้จะเป็นพระราหันไม่ได้แต่ว่าที่กายเป็นพระรหันก็เพราะใจของท่านเป็นพระราหันชําระกิเลสราคะโทสะโมหะ จิตใจบริสุทธิ์ท่านจึงเป็นพระรหันต์เมื่อใจเป็นพระรหันต์แล้วตาหูจมูกลิ้นก็เป็นพระรหันต์ด้วยเ mm hmm. ออเพราะเป็นบริวารของใจดวงนั้น mm hmm. เพราะฉะนั้นที่เราเข้ามาศึกษาในครั้งนี้เข้ามาบวชในครั้งนี้ให้ศึกษาเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าถ้าใจของเราอ่อนแอขอใจของเราปวกเปียกใจของเราไม่มีเหตุมีผลแล้วใจของเราเหมือนกับไม้ปักขี่เลนแล้ว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 สิงทั้งหลายทั้งปวงว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วจะต้องแตก ส, สลายลงไปสู่ดินน้ำลมไปร่างกายของเราเนี่ยมีธาตุสี่ดินคืออะไรดินคือของแข็งกระดูกดเป็นของแข็งคือธาตุดินทาดน้ำก็คือปัสสาวะเลือดเออพวกเราแยกตัว ใ, ให้ดีก็แล้วกันอันจริงเป็นที่ของเหลวคือธาตุน้าทั้งหมดอย่างน้าดีอนีย ก็เป็นเป็นน้าไขมันเป็นน้ำดินน้ำลมลมกระลมหายใจเข้าหายใจออกลมในช่องท้องลมในลำไส้ที่เราผายลมออกมาเดลมมนท้องกูกะอันนี้เป็นวัฏาาลมอยู่ในร่างกายลมมันมีส่วนหายใจเข้าไปมันเป็นพลังที่จะดันเลือดมันมีส่วนเกี่ยวเนื่องกัน ทั้งดินทังน้ำทั้งลมทั้งไฟไฟก็คืออะไรไฟก็คือร่างกายให้อบอุ่นมันมีไฟอยู่ในร่างกายของเราทั้งว่าไฟของเราในร่างกายของเราธาตุไฟดับร่างกายนั่นก็อยู่ไม่ได้ร่างกายก็เย็นเสียบไปหมดร่างกายนี่ของเราหมดธาตุไฟเพราะฉนั้นทั้งธาตุไฟทั้งธาตุลมทั้งธาตุน้ําทั้งธาตุดินมันอยู่ในกายนี้ อีกสักวันหนึ่งทั้งสี่ธาตุนี่จะต้องแตกสลายลงไปสู่ดินน้ำลมไฟดินจะละลายช้ากว่าเพื่อนคือเป็นกระดูกเนีย่ยอย่างพวกเราเห็นกระดูกไนโหนเสาบางกระดูกบา้านเสียงบางอย่างนั้นเนี่ยกระดูกไปทีหลังก่อนส่วนน้ำลมไฟนะ้ำละเลี้ยงละลายไปตามสู่สภาพของมันนี่แหละอันนี้คือร่างกายแต่ส่วนจิตใจคือตัวนมามธรรมนั้นที่ครองร่างอยู่นะั่น แต่เหมือนกับรถคนขับรถอย่างนั้นผมพูดทีไรผมก็บ่าร่างกายกับใจเนี่ยผมเปรียบเทียบอย่างอื่นก็ไม่ถนัดใจถ้าเปรียบรถกับคนขับรถเนี่ยเห็นจะเห็นได้ชัดกว่ารถมันเป็นยังไงคนขับรถนั่นเป็นยังไงคนขับรถก็คือนามมัธยมก็คือใจนั่นแหละตัวนั้นแหละตัวที่จะติดเอเป็นคนติดีคนดีเป็นคนล่ําคนรวย เป็นคนยังไงคือเจ้าของรถส่วนรถนั้นเป็นมือสองเป็นเรื่องราวของคนคนรถคือเจ้าของของรถจะให้เป็นยังไงจะให้ทำยังไงอันนี้ก็คือคือร่างกายของแต่ละคนเหมือนกับรถส่วนจิตใจเหมือนเจ้าของของรถเราได้มาอย่างนี้ตั้งแต่ท้องตั้งแต่ท้องแม่ของเราออกมาเดต็ดที่แรก เรายึดคลองมารถคัน เ, เรานั่งออกมาขี่ออกมาจากท้องแม่เราหยุดตลอดมาเราอยู่นั่นแหละกายกับใจมันเป็นของคู่กันมาอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราที่มาศึกษาธรรมะภ า, าคปฏิบัติในครั้งนี้เข้ามานั่งสมาธิให้ดูใจไอ้ตัวจับยักยักเนี่ยน่ะตัวทรมานยักยากเนี่ยตัวที่มันออกไปข้างนอกจับมันไม่ได้เลย บางทีทําไม่ร้องห่มร้องไห้บางคือทําให้เศร้าโศกเสียใจทําให้กลุ่ม อ, อกกลุ่มใจอย่างเนี้ยมันตัวไหนเนี่แตัวใจเนี่แหละเพราะฉะนั้นพวกเราเอาสมาธิจับให้ได้จับดูซิเป็นยังไงถ้าว่าจับดูใจของตัวเองได้แล้วรู้ใจตัวเองได้แล้วฝึกหัดตัวใจได้แล้วอทําจิตใจใตัวเองให้สงบตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าสอนได้แล้วนั่นแหละทีนี่ ใจอยู่ในกรอบของศีลธรรมจากนั้นก็ชำระใจของตัวเองใจของรวงนี้มันมีอะไรบ้างอยู่ในนี้อารมณ์ที่โมโหโธโฉุนเฉียวเสียอกเสียใจอันนั้นเป็นโท่สะตัวไหนมีความรักความใคร่อันนั้นเป็นตัวลาคะแต่ตัวราคะก็ดีตัวโธสะก็ดีมันเกิดขึ้นมาจากความหลง โมหะนี่คือความไม่รู้ถ้ารู้จะไม่หลงถ้ารู้จะไม่โกรธถ้ารู้แล้วจะไม่รักถ้ารู้แล้วจะไม่กลุ่มหลงมัวเมาถ้ารู้แล้วจะไม่เศร้าซึมโศกเศร้าเสียใจถ้ารู้แล้วนิสัยซึมเศร้าก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเรารู้แล้วอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าเราไม่รู้นี่แหละกิเลสเข้ามาหลอก เดี๋ยวก็สนุกสนาน mm hmm. เดี๋ยวก็รอ้ อ, รองห่มร้องไห้ hmm. เดี๋ยวก็หัวเราะมันมีได้ทุกรูปแบบเพราะกิเลสในใจของเรามันออกมาหลอกมาลอ่อปั่นป่วนใจของเราให้ออกหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเข้ามาศึกษาในครั้งน้ให้ทั้ง อ, อกตั้งใจนะอย่างที่ผมได้กล่าวสมาธนะิเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญฝึกขัดการก้าวเดิน ตั้งแต่ปัดกวาดกับพุทโธพุทธโธเดินบินธบัติขาซ้ายพุดขาขวาพุทธขาซ้ายทโธพุทโธไปเรื่อยนะเวลาเดินโยกมก็พยายามเดินบางท่านบางองค์นะบางท่านบางคนนะอก็ถูกจริญกับการเดินเวลาเดินเดินโยกมจิตใจปลอดโปร่งปัญญา ว, วิ่งเอเวลาเราเดินโยกม พุทธโธพุทธโธพุทธโธขาขวาพุทธขาซ้ายโธมันยังปุงฟุ้งเราพยายามกำหนดให้เห็นร่างกายของเราเป็นโครงกระดูกทั้งหมดพอเราเป็นนิสิแพทยเราเคยศึกษามาแล้วเราเห็นกระดูกของเราใช่ไหมแต่บางคนก็กลัวผีอีกจะไปกลัวทาไมตัวเองนอนเฝ้าโครงกระดูกตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งคืน จะไปกลัวทําไมนอนเฝ้า อ, อ, อยู่กระดูกใช่ไหมเรานอนเฝ้าออโครงกระดูกของเราใช่ไหมกระดูกของเราเป็นโครงกระดูกใช่ไหมเราเฝ้าออโครงกระดูกของเราอยู่ใช่ไหมไอ้ euh, ปลาช้าก็อยู่ในท้องของเราใช่ไหมเออไม่รู้ว่าหมูหมากาไก่วัวควายเนื้อมัน อ, ะนะอยู่ในท้องของเราถ้าเรากลัว อ, อปลาชา้าเราก็ต้องกลัวท้องของเราอันนี้จริงไหม ที่พูดอย่างนี้เนี่ยเราคิดดูกันแล้วกันไม่รู้ว่ปลาไม่รู้เท่าไหร่กบเขียดไม่รู้เท่าไหร่อยู่ในท้องของเราท้องของเราคือป่าชาป่าชาตแหล่งใหญ่ที่เดียวแหละอยู่ในนั้นแต่ถ้าเรากลัวเราก็นอนเฝ้าออโครงกระดูกของเราใจเฝ้าออโครงกระดูกของเราอยู่ใช่ไหมั้ยสิ่งเหล่านี้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 แยกส่วนแบ่งส่วนดูซิเป็นยังไงทา้งคนอื่นเขาก็แบง่งแยกส่วนแบง่แบงส่วนเขาอื่นเป็นยังไงเอีอทีนี้พอมาดูอย่างนั้นแล้วทีนี้เ อ, อเราก็จะไม่ลุ่มหลงหมัวมเมาถ้าเรารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วอันนี้คืออ น, นั้นอันนั้นคืออ น, นั้นยศถาบรรดาศักดิ์ที่ได้มาก็ได้มาสู่ร่างกระดูกที่โครงกระดูกที่ของอสุภะปฏิคูล น, นั้นมันก็ไม่เยอะจริงไม่ไม่มันก็ไม่จองหองใจของเรา รู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ตัวแต่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในขณะที่เราเป็นคนอยู่เราจะมีชีวิตอยู่เราทำหน้าที่อะไรในขณะนี้เราจะเป็นพระเราก็ทำหน้าที่พระให้ดีที่สุดในเมื่อเราไปเป็นหมอเราก็ทำหน้าที่หมอให้ดีที่สุดอย่าไปจองหองพยองพองตัวว่าข้าเนี่ยจะไม่เกิดข้าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายข้า Durham จะไม่เป็นไม่สู่ดินน้ามลมไฟเหมือนคนทั้งหลาย อย่าไปคิดอย่างนั้นอีกสักวันหนึ่งเหมือนกันทั้งหมดเพราะนั้นในเราอยู่ในสถานะไหนทำดีที่สุด เ, เราเป็นลูกก็ทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดใ ห, ให้รักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักวงศากนาญาตทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเมื่อต่อไปเราได้เป็นพ่อแม่ของเขาเราก็ต้องทำหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดให้เป็นฮีโล่ของลูกเพราะนั้นให้เป็นตัวอย่างของลูก ทำตัวให้เป็นคนดีอย่าทําเป็นจะทําทความเลวให้ลูกเขาดู เ, เราต้องเป็นทําดีให้ลูกเป็นตัวอย่างในเมื่อเราเป็นลูกของพ่อแม่เราก็พยายามทําให้ดีที่สุดอย่าให้พ่อแม่หนักอกหนักใจในเมื่อเราเป็นพละเรือนของชาติประชาชนของชาติเราก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุด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 ที่ผลงานของผมเอม็นใหม่การสร้างเจดีกว่าดิเจดีของหลวงปู่หลาดกับผม เ, เป็นประธานในการก่อสร้างแล้วของคุณแม่แก้วเหมือนกันฝ่ายสงกับเพื่อผมแต่ผมไม่ได้อวดได้อ่างผมก็คิดว่าผมทําดีที่สุดอีกสักวันหนึ่งผมก็จะต้องทิ้งร่างกายของผมลงสู่แผ่นดินในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ผมจะต้องทําดีที่สุดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นทั้งผลงานทั้งโรงล่าโรงเรียน ทังโรงพยาบาลช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างไรนี่แหละผมเองอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกองอผมพูดทางนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ยกผมแล้วก็ให้หมู่ดูฆ่าเนี่เป็นอฮีโร่เป็นผู้เลิศประเสริฐไม่ใช่อย่างนั้นคือผมในเจตนาดีที่สุดอยากจะช่วยเหลือชุมชนและสังคมอแล้วก็ยกตัวอย่างให้พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น นี่แที่ผมทําไปแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็คือประสานคู่คนเป็นสะพานบุญเป็นผู้ซื่อสัตย์สุดจริตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ซื่อสั ต, ส ต, ตย์ ต, ต่อประเทศชาติบ้านเมืองเป็นผู้จงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้เป็นคนดีสรุปแล้วเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะผมได้พูดเบื้องต้นเกี่ยวกับ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 ไปอยู่ที่นั่นก็ว่าจะดีไปอยู่ที่นี่ก็ว่าจะดีตัวเองไม่ดีจะดีได้ที่ไหนก่อนที่จะดีก็ดีที่ใจพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเป็นร่างกายพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าใจของพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าซะก่อนชําระกิเลสชำระใจพระองค์ซะก่อนหมดกิเลสในใจซะก่อนตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นพระพุทธเจ้าด้วยเป็นพระอรหันด้วยเพราะใจของท่านเป็นพระอรหัน เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่มาศึกษาเนี่ยคือคือมาศึกษาใจให้ใจของเราเข้มแข็งให้ใจของเรามีเหตุและผลใจของเราเอา่อมีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในใจเอมีธรรมะอยู่ในใจธรรมะคือหลักเหตุผลอยู่ในใจไปอยู่ณสถานที่ใดไปนะที่ใดมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์แต่พวกเราเต็มไปด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะนะไปที่ไหนใครก็ไม่อยากจะคบค้าสมาคม